วันนี้เป็นวันที่สิบสองพฤษภาคมพุทธศักราชสอง5้าร้อยห้าสิบห้าเป็นวันเสาร์วันนี้แลวก็พวกเราทุกๆ ท, ท่านถึงจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันไหนวันไหนไหนก็เป็นวันทาว่าผู้ที่ไฟในการศึกษาด้วยไฟ ในการสร้างคุณงามความดีก็เป็นวันที่พวกเราจะต้องสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราทุกๆวันแต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่ไยดีแต่ก็ไม่ได้คิดว่าไม่ไยดีหรอกแต่ว่ากิเลสภายในใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากิเลสภายในใจในของเรามันชอบไหลไปทางต่า ทางไหนเป็นทางต่ํากิเลสจะชอบไหลไปทางนั้นบางทีก็โลภบางทีก็โกรธไม่มีเหตุมีผลบางทีก็หลงหลงเนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานน่ะคำว่าหลงคํานี่หลงคิดว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหลงคิดว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินทลายหลงในยศฐานบรรดาศักดิ์หลงในชีวิตทรัพย์สินหลงในญาติมิตรสหายสามีภรรยาลูกหลาน ญาติทั้งหลายหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ได้อยากไปง่ายๆแต่ในหลักของพระพุทธศาสนารมคำสอนของพระพุทธเจา้าและท่านว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงเราจะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็จะตั้งอยู่ในความประมาทนะเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้คือทำคาสอนของพระพุทธเจา้า แต่พวกเราท่านทั้งหลายบางท่านบางคนก็เคยได้ยิน ว, ว่าข้าไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนข้าไม่ได้ทำความชั่วเสียหา ย, ยาข้าไม่ได้ทำอะไรข้าจะอยู่แบบข้าเนี่แหละเพราะว่าข้าก็ไม่ได้ไทำความชั่วอะไรแต่ตามไม่จริงถ้าคิดเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบมาจับเป็นประเด็นด้ ว, ว่ามาเปรียบเทียบ คำว่าคนนั้นไม่ได้ทำความชั่วอะไรจริงไหมถ้าเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพวกเราได้ศึกษาได้ศึกษาในทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดไม่จริงเพราะว่าการทำคุณงามความดีนั้นทำได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรม คือการทํากรรมทําได้สามทางแต่ทีนี้เขาว่าเขาไม่ได้ทํากรรมชั่วอะไรแปลว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้กรรมชั่วนั่นคืออะไรบาปนั่นคืออะไรสิ่งที่มันไม่ดีนั่นคืออะไรเพราะเขาไม่ได้รับการศึกษาเหมือนกับคนไม่รู้กฎหมายอย่างนั้นถ้าคนไม่รู้กฎหมายข้าไม่ได้ทําผิดกฎหมายเนีก็เพราะตัวเองไม่รู้บางทีไปด่าเขาเข้าบางทีไปตีหัวเขาเขาไปตีเด็ก ลูกตัวเองเข้าอย่างเนี้ยฆ่ากัตีลูกของข่าฆ้าไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ตามจริงกฎหมายเขาตราไปแล้วนั่นแหละคือบางจริงบางอย่างถ้าเราไม่ได้ศึกษานะไม่ได้เรียนรู้เราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายนั้นคืออะไรเหมือนกับคนบางคนถ้าไม่ได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไฟมันอยู่ในลวดอยู่ในโลหะนี่ยเราก็ไม่รู้ ว่าไฟมันอยู่ในโลหะอยู่ในเหล็กอยู่ในทองเหลืองทองแดงหรืออยู่ในน้าเราก็ไปจับเขไฟก็ดูดไฟก็ชอ็อตทำไมมันมีไฟเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่เรียนรู้เหมือนกะลิง เ, เหมือนกะลิงหลวงพ่อกระโดดขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าเอาพอเสร็จแล้วันก็จับสายไฟสองสายพอจับขึ้นไฟก็ช็อตตั้ม วันตลกลิงกตกลงมาจากสายไฟฟ้าแรงสูงนะบางทีมันตัวมันโมเมียบางทีรถผ่านมาเห็นอีกเห็นมันตกอยู่มัเนะค้อนซ้ำอีกค้อนทุบอีกเอาไปกินอีกต่างหากแต่ลิงนะมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมมันเป็นอย่างนี้วะเพราะเหตุอะไรเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่ได้ศึกษา ถ้าทํามันศึกษาอย่างคนเราก็รู้อะได้เราอืออันนี้มันคือสายไฟแรงสูงก่อนที่จะจับเนี่ยต้องคิดสัก่อนไนะอันนี้คือคนรู้อันนี้ก็เหมือนการทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเอาไว้บอกเอาไว้นะการทํากรรมทําได้สามทางนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพรวันนั้นเราจะว่าเราไม่ได้ทํากรรมอะไรเลยเราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ใช่นะไม่น่าใช่ใช่ไม่ถูกต้องถ้าเรา เอาทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบแล้วกายกรรมคือการกระทําทางกายบางทีเราบี้มดออพอเราไม่รู้ว่ามันในผิดศีลความเดือดร้อนของสัตว์ตอนนั้นเราไม่รู้ เ, เราไปเผาฝาฆ่ามแมลงฆ่าจัดฆ่ากบฆ่าเกี้ยวฆ่างูฆ่าเลยอันนี้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าเอออันนี้คือกายกรรมการกระทําไม่ถูกนะมันเบียดเบียนสัตว์ วจีกรรมก็เหมือนกันบางทีเราก็พูดให้คนอื่นเขากระแนกระแนะบางทีโกหกคนอื่นเขาบางทีทำพูดตัวเองทำให้คนอื่นเดือดร้อนยังไอันนี้เรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางวาจาคือเป็นบาปเป็นบาปทางวาจาและเป็นบาปทางใจดิท่านใจนันคืออะไรใจคือความนึกคิดตัวเองไม่ได้ศึกษาว่าคิดยังไงมันผิดคิดยังไงมันถูก ถ้าว่าโลกอยากได้ของเขาผิดแล้วพยาบาทปองร้ายเขาผิดแล้วและเห็นผิดจากทํานองครองธรรมอันนี้มันกว้างขวางมากเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเป็นมิจฉาทิฐิคำนี้นะอันนี้มันกว้างขวางมากอันนี้เป็นบาปทางใจเป็นบาปทางความคิดเนี่ยว่ามโนกรรมทาบาปทางใจเพราะนั้นเราต้องได้รับการศึกษา เว่าการกระทําทั้งสามอย่างนกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเลยอันไหนที่ถูกต้องอันไหนผิดอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิอันไหนเป็นมิจฉาทิฐินั่ต้องได้รับการศึกษาการศึกษานั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นพระบาลีว่าสุดตรมย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังไอ้คาว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราจะรู้ได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกปัญญาของเราจะเกิดขึ้นอันไหนควรจะลบอันไหนควรจะหลีก อันไหนควรจะดําเนินอันไหนควรจะปฏิบัติอันไหนควรจะละอันไหนไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องอันไหนควรพวกเราจะเข้าปฏิบัติตาม น, า น, านั้นเรื่องนั้นานั้นนวัตสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามมยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวนพบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นถูกต้องไหมมีเหตุผลไหมเป็นธรรมไหมที่เรากันกรองแล้วนั้น อันนี้ว่าจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้จินตนาการไข้ขวนทบทวนแล้วก็ภาวนามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาภาวนาคือทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งทําใจให้หนึ่งให้ใจสงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งหรือว่าจิตใจนิ่งพอสมควรแล้วนําใจที่นิ่งนะั้นมากันกรองไตรตรองเหตุและผลว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันเป็นศีลเป็นธรรมไหมเป็นสัมมาทิฏฐิไหมหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกมันถูกต้องไหมอันนี้คือภาวนาเมญปัญญาถ้าว่าคนไม่ได้ภาวนาเมญปัญญาพิจารณาได้ไหมได้ก็อยู่ในสมาธิในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าคนไม่มีสมาธิเลยเนี่ยคนที่ใจปุ่งฟุ้งซ่านแล้วได้ไหมอันนั้นเราต้อง มีระดับอีกเหมือนกันนะถ้าว่าระดับใหญ่ระดับที่ใจมันแตกจริงๆริงเหมือนกับคนเป็นบ้านะ่ะอยู่ข้างถนนนะเออคล้ายๆว่านั้นนะสติมันแตกอย่างสุดๆแล้วเราไปถามเลยสิกินข้าวแล้วยังมันก็ว่าหมกๆบุบ ห, ห, ห, หมับมก็ว่าไม่รู้เ อ, อกินน้ำไมอยังมันก็ว่ามาทางนน้มาทางนี้มันก็ต่อไปเไรื่อยของเพื่อเพราะใจของมันไม่มีสมาธิ ใจของมันไม่สงบใจของมันไม่นิ่งใจของมันปุงฟุง้งสมองของมันปุงฟุ้งอยู่ตลอดอันนี้แปลว่าคนที่ไม่มีสมาธิจะถามและจะพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพระาะฉนั้นท่านบอกภาวนาพยาปัญญาทำใจให้สงบซะก่อนนิ่งซะก่อนจึงนํามากันกรองไตรตรองเหตุและผลนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อเราภาวนาพยาปัญญาแล้วเราก็นํามาคิด ความลือคิดของเราเท่นี้เดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรเป็นมิจฉาทิฐิและเป็นสัมมาทิฏฐิไปทางบาปหรือไปทางบุญเราจะแยกออกได้เท่นี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือถึงจะมาถึงจุดนี้ได้เป็นมาได้อย่างไรเพราะก็ต้องได้รับการศึกษาได้รับการศึกษาด้การเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ น, นํามากันกองไตร่ตรองด้วยเหตุและผล ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ได้แล้วเออการทำความชั่วนความชั่วนไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยู่ดู่เฉยเฉข้าไม่ได้ทำอะไรอันนั้นแปลว่ารวบรัดเห็นแก่ตัวเอาคะแนนให้แก่ตัวมากเกินไปแต่ตามไระจริงไม่ใช่ในหลักธรรมคำสอนของ พ, พุทธเจ้าเราไม่ใช่อันนั้นเป็นเอามัวเมียเออคนไม่รู้เหมือนกับคนโง่ไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้ ก็ยกว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาดไม่ได้ทำอะไรแต่ตามไม่จริงทําจนพอแรงะคนอื่นเริดต้องพ่อแรงเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาแล้วก็ยกว่าข้าเพเจาาไม่ได้ทํากรรมชั่วยอย่างอื่นในรักทํามคำสอนกันอย่างที่วาดคิดโลภ่าได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดออกจากนอกครูนอกทางไม่อยู่ในสัมมาทิฏฐิและกัการกระทา อฆ่าสัตว์เอเบียดเบียนขโมยทรัพย์ของเขาตบทรัพย์ของเขาเบียดเบียนทรัพย์ของเขาเอาอยากจะ็ออกมาเป็นของตัวเองมีไหมไม่มากก็ต้องน้อยคนคนหนึ่งงีเ้เพราะเขาเผลอแล้วเขาไม่รู้เราก็พร้อมที่จะเบียดบังของเขาได้ขโมยของเขาเอาแล้วก็สามีภรรยาอันนี้ก็คงจะอยู่ห่างสักหน่อยแต่ถ้าว่าคนที่มี กิเลสทางการมัลาคะอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นของง่ายอีกเหมือนกันง่ายที่จะล่อแหลมที่จะต้องผิดศีลผิดธรรมข้อนี้ได้ง่ายแล้วข้อมุสาเนี่ยอันนี้หญ้าปากคอกมากพร้อมที่จะโกหกเพื่อเอาตัวรอดบ้างเพื่อเห็นแก่พักแก่พวกบ้างเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สมบัติบ้างมันมีมากมายจุดนี้ตัวมุสาตัวสุราเนี่ยก็ถ้าหากว่าคนมีอุนธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีคงจะทํา ล่วงละเมิดได้ยากอยู่แต่ถ้าว่าล่วงละเมิดเข้าไปตัวนี้แล้วก็ตัวจิตหายใหญ่เหมือนกันนะเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติกินยาบ้าเข้าไปแล้วขาดสติเคันชายาฝิ่นเฮโรอีนขาดสติเมื่อขาดสติทําความชั่วเนีทุกอย่างเออแปลว่าความชั่วทั้งหลายทั้งพงทั้งกายกรรมทั้งวิจิกรรมทั้งมโนกรรมเนี่ยกระจุยกระจายไปหมดเลยพ why ไรเพราะว่า มันขาดสติโกลนขาดสติทําความชั่วที่ทกอย่างเราพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพวกเราอย่ามองข้ามต้องอาศัยการศึกษาต้องได้รับการศึกษาจากนั้นเมื่อได้รับการศึกษาแล้วการกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมานั้นเป็นยังไงตัวของเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างคิดอะไรไปบ้างพูดอะไรไปบ้างถ้าเราแนะนำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็น กระจกเงาหรือว่าเป็นแบบในการเดินทางแล้วพวกเราจะมองเห็นทางการดำเนินชีวิตของเราเปในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกทั้งนั้นถ้าคนได้คิดได้พิจารณาการกลองไตตรงดีแล้วนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นำทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทาคำสอนของพุทธเจ้ามาได้รับการศึกษาที่ดี พวกเราจะคิดว่าข้าไม่ได้ทําความชั่วเสียหายตัวนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะเพราขอนั้งขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้นำํำแนวความคิดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดำมากันกองไต่ตองแล้วพวกเราจะมองเห็นผลทางอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรคิดยังไงจึงจะถูกต้องทํำยังไงมันจึงจะถูกต้องพูดยังไงมันจึงจะถูกต้องครับ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการทำกรรมทำได้สามทางในหลักของพุทธศาสนานะแล้วตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเอาได้ยินเสียงรถมาอย่างนะั้นเมื่อกี้นี่คงจะไม่มีอะไรมาเอารับพรก่อนนะมีอะไรยังค่อยว่ากัน